ฝนตกเซก r m n ล่วงพอปอกล่วงพอไปกันเถิดหนาล่วงพอถวดจ้าวัดช่างให้พอทานคลายรุนแรงก็พานี่อาจารย์จำเนียนเมืองบีได้ดุ่นนี้จากพีพนานี่กลร่ล่วงชุงพรรุนแรงเพิ่งไปเลกจากทีบัญชาล่วงพอจอยพอ อยากกินแม่นาเรียงนูแเหล็กให้ไปแหลลานแม่อยู่บ้านอยาไปแม่นาแม่กลับแม่พม